ซึ่งอธิบายว่าอภัพนีสุก็คือทุกคนเนี่ยตรัสรู้หรือรู้อย่างยิ่งตามที่ตัวเองปฏิ ญ, ญาคือตามที่ตัวเองโอ้อวดหรือไม่อธิบายว่าปฏิ ญ, ญานั้นเจ้าลทัทธิเหล่านั้นเนี่ยนะคำสอนเหล่านั้นเนี่ยเป็นนิยานิกะไซแสดงว่าถ้าคำสอนของเขาเนี่ยทุกๆคาสอนนาออกจากทุกจริงแสดงว่าเขารู้จริงก็คือคำถามว่าคาสอนของเจ้าลทัทธิเหล่านั้นเนี่ย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 เขาก็พูดแต่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่คําสอนของเขาไม่สามารถนําออกจากทุกได้เลยเนี่ยนะไม่เป็นนิยานิกะระทัมไม่ได้แปลว่าแปละวะ่าเป็นธรรมที่ไม่ได้นําออกจากชาติจรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเลยคําสอนของเขาไม่ได้ช่วยให้พ้นจากทุกเลยเนี่ยนะแปละวะ่าทุกคนเหล่านั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเป็นสัพพันย์ูเลยหรือ หรือบางพวกรู้บ้างบางพวกก็ไม่รู้บางพวกนี่นะบางกลุ่มรู้แต่บางพวกก็ไม่รู้เอ๊ะมันเป็นยังไงกันเนี่ยนะทีนี้ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าลัทธิลัทธิของาศาสนาอื่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วเช่นเช่นใคร น, นะปุรณกัสปะมัคลิลโคสานอาชิตเกษกัมพลปทุขปะกุธากัจยานะสัญชยัยเวรตบุตรนิครณ น, นาตบุตร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 เราจะแสดงอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่จริงแท้และนําออกจากทุกข์ให้แก่เธอจะแสดงธรรมอันนี้ให้แก่เธอฟังเธอจงฟังคํานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวซึ่งพระองค์บอกว่าจะแสดงอริยสัจธรรมให้ฟังเนี่ยนะสุภธาปริภาชกก็ทูลรับพระดํารัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าไอความที่เขาเป็นพุทธเวนยัยเนี่ยนะไอความที่เขาเป็นพุทธเวนยัยเนี่ยก็เป็นผนที่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 สมณะที่หนึ่งคือพระอรหันต์สมณะที่สมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกทาคามีสมณะที่สคือพระนาคามีสมณะที่สคือพระอราหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นก็แปลว่าถ้าธรรมวินยัยใดศาสนาใดไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดธรรมวินัยนั้นไม่มีผู้บรรลุโสดาปติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผล เพราะฉะนั้นแหลงลัตที่เหล่าใดที่เขาปฏิ ญ, ญาณว่าเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไปถามว่ารัตที่เหล่านั้นมีมรรคแปดไหมถ้ามีมรรคแปดเป็นไปตามมรรคแปดก็แสดงว่าสามารถเป็นไปได้ที่จะมีพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดหรือมั่วม่วมันก็อริยะมั่วเหมือนกันมาเลยเหมือนกันนั้นพระองค์ก็เลยบอกหลักการเมื่อกี้ใช้คําว่าไอตอนบอกเราจะแสดงธรรมแก่ท่านอย่าลืมว่าอริยมรรคอัน อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนั้นเป็นอริยสัจข้อที่สีนั่นแหละมันถ้ากล่าวอริยสัจข้อที่4คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็ชื่อว่ากล่าวทุกขอริยสัจกล่าวทุกขสมมุทัยอริยสัจกล่าวทุกขนิโรธอริยสัจเพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละที่ทํากิจกําหนดรู้ทุกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่เป็นกิจละสมมุทัยเพราะว่าละสมมุทัยละได้จริงๆก็อนุภาพแห่ง อริยมรรคและอนุภาพของอริยมรรคนี่แหละมรรคแปลว่าสแสวงหาพระนิพพานหรือผู้ที่มีความปรารถนาในพระนิพพานจําต้องปฏิบัติและดําเนินตามอริยมรรคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยอ ง, องค์แปดกิจในการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งไม่มีเมื่อการแทงตลอดอริยสัตว์ไม่มีพระเริยกเจ้าไม่มี พระโสดาบันไม่มีพระสกท า, าคามีไม่มีพระนาคามีก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีเพราะอารหันตความบรรลุเป็นพระเรียเจ้าเป็นผลผลิตของการกำหนดรู้ทุกลงสมุทัยทำพระนิทานให้แจ้งและเจริญอริยมรรคอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะพันสุพัทธะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแป8หาได้ในธรรมวินัยใด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 อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนั่นแหละประชุมทำกิจแทงตลอดอรยิรรยสัจครั้งที่สามทำให้เกิดพระอนาคามีขึ้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่นแหละทํากิจในอรยิรรยสัจครบสิบหกครั้งพระอรหันจึงเกิดขึ้นเพระ า, านพร ะ, าระนาาะะา น, น, านั้ถ้าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีในพระธรรมวินัยใดพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันก็มีได้ในธรรมวินัยนั้นอย่าลืมว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนั้น คือพาเวตปธรรมซึ่งหมายถึงกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรอบรู้ละทำที่ควรละทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งอันนี้เรียกว่าพูดโดยหลักการเนี่ยนะพูดโดยหลักการว่าหลักการมีอยู่อย่างนี้ท่านมาถามถึงผู้ที่เขาตรัสรู้การตรัสรู้ก็คือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและท่าหันท่าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วย อ, องค์ป การตรัสรู้มีไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์ปดนี่แหละที่ทำจักสุให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเพราะถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรตรัสรู้รู้ยิง่งบรรลุมรรคผลและนิพพานเนี่ยนะ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 เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเจริญอริยมรตมีองค์8ดนั่นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญอริยมรตอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้ที่บรรลุหรือเจริญแล้วตรัสรู้หรือบรรลุก็เพราะว่าเขาเจริญอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะอย่าลืมว่าเจริญอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดประชุมเสร็จในครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเป็นสมณะที่หนึ่ง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 อีกครั้งเดียวถ้าอนาคามีเนี่ยนะกิจในอริยศัสตร์อย่างนี้บอกว่ า, มาไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วในกาล ม, มาโลกอีกแล้วถ้าเป็นผ้าหลนก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ พ, พระองค์บอกเลยว่ารัตที่อื่นๆว่างจากสมณะผู้รู้อันนี้เป็นคําบอกเลยนะจริงๆอ่ะตอนแรกเนี่ยพระ อ, องค์อยากจะบอกี้แต่ว่าบอกเลยทีเดียวไม่ได้บอกหลักการก่อน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 ส่วนลัทธิทิฏฐิเหล่าอื่นทิฐิหกสิบสองลัทธิสัสตะทิฐิลัทธิเอกจ well well ัสสตะทิฐิลัทธิอธิจัสมุปปนาทิฐิลัทธิอมราวิเขปะลัทธิสันยีวาธอสันยีวาธาเนวสันญีนาสันยีวาธาลัทธิอุเฉททิฐิหรือทิฏฐธรรมนิพานลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดศูนย์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 ถ้าบอกว่าผู้รู้ตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสมณะสิบสองและที่อื่นๆว่างเปล่าจากสมณะสิบสองประเภทว่างเปล่าจากสมณะม น, นะเกี่ยวกับพระโสดาบันมีอยู่สามว่างเปล่าจากผู้เจริญวิปัสสนาเพื่อเพื่อโสดาปฏิมักไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอันนี้สามละ ไม่มีผู้เจริญวิป no ัสนาเพื่อสกทาคามีมัจไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในสกทาคามีมัจและไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลไม่มีผู้ที่เจริญวิปัสนาเพื่ออนาคามีมัจไม่มีอนาคามีมัจไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอนาคามีมัจและไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอนาคามีผลไม่มีผู้เจริญวิปัสสนาเพื่ออรหัตมัจไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตมัจและไม่มี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 อมาราวิเขปะอธิจะสมุปปั น, นะทิิเนี่ยนะหรือว่าพวกสัญยวาทอาสั ญ, ญีวาที่ลัทธิที่ที่หกสิบสองเป็นต้นเหล่านั้นสรุปว่าไม่มีผู้ที่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์แปดเลย